สี่วันก่อนนะมีข่าวชาวบ้านอยู่ข่าวหนึ่งคือพระแล้วก็สามเณรประมาณสัก78รูปเดินถือบาทกลางดึกเลยเดินเป็นแถวแล้วนอกจากบาทแล้วก็ยังมีสัมภาระเรียกว่าอบริขารแล้วก็มีพัดลมด้วยนะหิ้วพัดลมทำนองว่ากำลังเหมือนก็นว่าจะย้ายบ้านนะย้ายสำนักย้ายที่อยู่ ผสมกับคล้ายๆกับบินธบัตกลางดึกม เ, เป็นภาพที่ประหลาดนะก็เลยมีคนถ่ายรูปแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวสอบถามก็ได้ความว่าพระเนกลุ่มนี้ถูกเจ้าว่านี่ขับออกจากวัดนะวัดนี่ก็อยู่แถวชาเชิงเซานะเขาหินซ้อนนะ่ะ พระที่เป็นใกล้ๆหัวหน้าเนี่ยก็ปรรษาไม่มากนะก็ให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยถูกเจ้าวาขับออกจากวัดกลางดึกก็เพราะว่าเคยทำเรื่องร้องเรียนเจ้าวาว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเงินคือเงินกระถินเนี่ยที่วัดได้เนี่ยสามสี่แสนเนี่ยบอกว่า เจ้าวาดจะไปใช้แล้วก็หายไปเลยเงินก็หมดแล้วกลับมากลับมาวัดเดิมพาะรูาก็เลยเรียกว่าฟ้องเจ้าว่าเจ้าวาก็เลยตอบโต้ะนะด้วยการขับออกจากวัดก็กลายเป็นเรื่องนะสุดท้ายเนี่ยเจ้าคณะอาเภอก็ต้องมาจัดการ ไกลเกลียแล้วก็เคลียร์ปัญหาแล้วก็แต่ข้อสรุปว่าเนี่ยพระในกลุ่มนี้ก็กลับมาอยู่วัดเดิมได้ส่วนเจ้าวาดก็ต้องย้ายไปอยู่วัดอื่นเจ้าวาด น, นั้นเนี่ยตามข่าวก็ชื่อพระไภศสารวิสารโลหลายคนอ่านข่าวก็ตกใจนะมาเล่าเรื่องนี่ ถ้ามาฟังว่าเนี่ยมีการแอบอ้างเชื่อตอมาหรือเปล่านะพระไพรสารวิสาโลเนี่ยแล้วได้ข่าวว่านีก็มีนักข่าวไปถามสอบถามเพื่อนนะเพราะว่าเขาติดต่อ ต, อตอมาไม่ได้ว่าจริงหรือเปล่านะมันไม่จริงอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าก็อธิบายว่าพระไพรสารวิสาโลเนี่ยในประเทศนี้ไม่ได้มีคนเดียวนะ มีหลายคนหลายรูปอัตมาก็เคยเจอนะคนที่ชื่อซ้ำอัตมาหรือชื่อเหมือนกันเขามาแนะนำตัวเองนะพันษาก็1ิบกว่าพันษาก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินนะว่ามีเจ้าที่ธนาคารเคยบอกว่าเนี่ยมีคนมีพระรูปหนึ่งเนี่ยเปิดบัญชีใช้ชื่อเดียวกันเลยพระไผ่ารวิสาโลนั่นก็30สกว่าปีมาแล้ะ แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะมือ่อต้นปีเนี่ยก็มีคนมีโยมมาบอกว่าเนี่ยสงสัยมีพระแอบอ้างชื่อพระไผสาวิสาโลเพราะว่ามีการเลียนลายที่แถวลบบุรีเพื่อนำเงินไปทอดพระป่าเจ้าว่าหรือเจ้าสำนักก็อ้างว่าชื่อพระไผษาวิสาโลแอบอ้างชื่อหรือเปล่าธรรมาบอกไม่แอบอ้างหรอกคงไม่แอบอ้างหรอก เพราะว่าชื่อเนี่ยซ้กันได้พระที่ชื่อไพศาลเนี่ยฉายาวิสาโลเนี่ยมีเยอะซึ่งไม่เรื่องธรรมดามากเพราะว่าเวลาคนที่ชื่อไพศาลนี่บวชนี่อุปชาก็ต้องตั้งฉายาและบางทีก็นึกฉายาไม่ออกก็เอาชื่อต้นนี่แหละมาทำเป็นฉายาเพราะไพศาลนี่เป็นภาษาสันสกฤตจะ ตั้งฉายาเป็นภาษาบาลีก็วิสารไงวิสาโลฉะนั้นคนที่ชื่อไพศาลเนี่ยบวชเนี่ยหลายคนแล้วก็จะมีฉายาว่าวิศาโลเพราะมันตั้งง่ายไม่ต้องคิดมากเหมือนกับคนที่ชื่อสุจิตเนี่ยถ้าบวชนี่ก็หลายคนก็จะมีฉายาว่าสุจิตโตนะื คนที่ชือบัณฑิตเนี่ยเวลาบวช น, นี่หลายคนก็จะมีฉายา ว, ว่าบัณฑิตโตแล้ในประเทศนเนี่ยพระสุจิตสุจิตโตนี่มีหลายรูปนะพระบัณฑิตบัฑิตโตก็มีหลายรูปแต่ไม่เป็นข่าวคราวนี้เนี่ยแต่พระเบสาวิสาโลดันเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็มีคนที่อ่านข่าวรู้จักพระภบสาวิสาโลที่สุกโตนะก็เลยมาแจ้งข่าว ด้วยความเป็นห่วงว่ามีการแอ บ, บอ้างชื่อไหมไม่มีนะขวัญสบายใจได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสำนักสงฆ์ที่ข่าวหินซ้อนและต่อไปถ้าได้ข่าวว่ามีาพระประาวิสาโลวัดนั้นวัดนี้นะมีการเรียกรายเงินเนี่ยก็อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าไม่ได้แอ บ, บอ้างชื่อหรอกนะพอมีชื่อพอมีพระชื่อพระประาวิสาโลทํางั้นจริงๆ เพราะว่าท่านมีชื่อฉายาอย่างนั้นส่วนจะไปเรียรายถูกต้องเหมาะสมอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าให้ให้ใหสันธิษฐาไปก่อนว่าไม่ได้แอบอ้างชื่อนะแต่ที่แอบอ้างชื่อวัดป่าสุกโตนี่มีนะแอบอ้างชื่อวัดป่าสุกโตว่าเรียรายนะบางทีก็ไปไปเรียรายเถวชายภูมิหรือบางทีก็ไปไกลนะ มีคนรายงานมาว่าเนี่ยแล้วก็มีหลายคนนะรู้จักวัดป่าสุขโตดีก็ไม่เชื่อเพราะรู้ดีว่าวัดป่าสุขโต น, นี้ไม่มีการเรียรายอันนี้ก็แจ้งญาติโยไมไปด้วยนะเ้าเกิดว่ามีใครนะอ้างว่าเป็นพระจากวัดป่าสุขโตมาเรียร้ายอ้างสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือไม่ต้องอ้างว่าจะเอาเงินไป ช่วยผู้ที่บวชใหม่นะบางทีก็อ้างชื่อพระภัศารนะว่าอยากจะสนับสนุนพระบวชใหม่ขาดใรจีวรช่วยบริจาคด้วยอันนี้ก็ให้ให้สันนิษฐานไว้เลยว่านะว่าเป็นการหลอกลวงนะแอบอ้างชื่อวัดป่าสุโกโตบ้างแอบอ้างชื่อพระภัศารนบะ้าง เดี๋ยนี้เนี่ยการหลอกลวงก็มีเยอะนะหลายคนก็ปาถนาดีไม่ใช่แค่หลอกลวงในฐานะที่เป็นพระหรือตัวแทนวัดนะบางทีก็เป็นคนธรรมดาที่อ้างว่าอยากจนไม่มีเงินข้าวรถกลับบ้านไม่มีค่าอาหารกินนะหลายคนก็ให้เงินไปและภายหลังก็รู้ว่าถูกหลอกบางคนถึงกับบอกว่าเนี่ยต่อไป จะไม่ให้เงินกับคนที่มาแบบนี้อีกแล้วอันนี้ก็เกินไปนะเพราะว่าคนที่เขาละบากจริงๆเขาก็มีอ่ะเขาไม่มีข้าวแล้วกลับบ้านนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยบางคนที่เดินกลับบ้านเลยนะจากปลาจีนเนี่ยกลับขอนแก่นแถมพาหมาติดไปด้วยเพราะว่ารถเนี่ยไม่ยอมให้ หมาขึ้นรถประจำทางก็ต้องเดินกลับบ้านพร้อมกับหมาแบบนี้ก็มีนะคือบางทีเขายากจ น, จนจริงๆไม่มีเงินเหมารถเพื่อขนหมากลับไปด้วยหรือบางทีเขาก็ไม่มีเงินแม้กระทั่งพาตัวเองกลับบ้านในการที่เราถูกคใครบางคนหลอกเอาเงินเนี่ยมาไม่ได้แปลว่าคนทั้งโลกที่มาของเงินเราเนี่ยเขาหลอกลวงนะ ถูกหลอกหรือเสียรู้เพราะคนคนหึงก็อย่าไปเหมาวรวมว่าคนทั้งโลกเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันจะทําให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงจริงลำบากนะอย่าให้กัพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนคนนึงมาทําให้เราเสื่อมศรัทธาในมนุษย์ทั้งโลกนะเดี๋ยวพ่อในอยามที่เขาลาบากสมัยเด็กๆกับตา ม, มาเนี่ยเคยได้อา่านนิทานเรื่องนึงนะตอนนั้นเป็นเด็กปถมเป็นเรื่องชายคนนึงนะซึ่ง เป็นคนดีมากนะมีน้ําใจเอื้อเฟื้อนี่แกก็ได้แหวนวงหนึ่งมานะเป็นก็ได้แหวนพิเศษนะที่สามารถจะบรรดาลเกิดโชคลาภได้แต่ชายหนุ่มคนนี้ก็ไม่สนใจนะเขาให้มาก็รับเอาไว้แต่มีคนหมายปองวันหนึ่งเนี่ยชายคนนี้เนี่ยชายหนุ่มคนนี้ก็เดินทางข้ามทะเลทรายนะ ประเทศีนมันก็มีทะเลทรายนะเดินทางคนเดียวบอกว่ากลางทางก็เห็นชายคนหนึ่งเนี่ยท่าทางจะหลงทางแล้วก็เหมือนกับกำลังขาดแคลนน้ำนะกำลังจะตายชายหนุ่มคนนี้ก็เลยไปช่วยแต่บอกว่าเป็นผู้รายนะผู้รายแล้วก็เอาเอาวุธมาบังคับให้ ชายหนุ่มคนดีเนี่ยนะนะมอบแหวนให้ชายหนุ่มคนนี้ก็ไม่ขัดขืนนะยินดีมอบให้เพราะว่าไม่ได้คิดจะหวงแหนอะไรอยู่แล้วแล้วก็มอบทรัพย์อย่างอื่นให้ไปด้วยแต่ขอร้องอย่างหนึ่งนะขอร้องผู้ร้ายเนี่ยว่าเมื่อกลับเข้าไปในเมืองแล้วอย่าบอกใครเลยนะว่าใช้อุบายนี้ ในการหลอกลวงเพื่อเอาแหวนเพราะอะไรนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนอื่นเนี่ยพอรู้แบบนี้เขาจะระแวงนะเวลามีคนเดือดร้อนกลางทะเลทรายเพราะหลงทางเนี่ยก็จะไม่กล้าไปช่วยเพราะคิดว่าเป็นแผนเป็นอุบายของผู้ร้ายเพื่อทำให้คนเหล่านี้เนี่ยถูกทอดทิ้งแล้วก็ตายไปกลางทะเลทรายวัวชานุ่งคน น, นี้ใจประเสริฐมากนะ นอกจากจะไม่ได้คิดถึงความทุกข์ของตัวเองแล้วนะว่าจะไปเอาตัวรอดยังไงกลางทะเลทรายเนี่ยหลังจากเกิดแบบเหตุการณ์นี้แล้วยังนึกถึงคนอื่นนะว่าถ้ามีคนอื่นเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยและถ้ามีคนเดินทางผ่านมาแล้วเราแวงว่าไอ้คนที่แกล้งไอ้คนที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นผู้ร้ายเนี่ยก็จะทิ้งเพื่อทำให้คนเหานี้เนี่ยไไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ตาย เรียกจิตใจประเสริฐมานะคือนึกถึงคนอื่นนะไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยนึกถึงคนอื่นว่าจะถูกร ะ, ว ะ, วระแวงถูกทอดทิ้งเพราะเข้าใจว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นผู้ร้ายอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจเรานะไม่ว่าเราจะถูกใครหลอกมานะกี่ครั้งก็ตามก็อย่าไปคิดว่าคนทั้งโลกเป็นอย่างนั้นนะ มันก็มีแค่ไม่กี่คนที่เป็นนะแต่ที่เรือเขาเดือดร้อนจริงๆสมควรที่จะได้รับความช่วยเหลืออันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจไว้